นายเป็นรูปักบเข้มอยู่ตรงไหน ก็โอเคอยู่ เออไม่มีตำนานให้ดูสองไม่มีตำนานให้ดูตำนานอยู่ด้านหลังตนาน่ไหนด้านหลัง้าค่ะหลังไหนข้างหลังั้งบนค่ะข้างหลังด้นี้ข้างหลังชายชไม่ปดูไม่ได้่ตคิดจะมีเอาไว้คนล้น ยูยู่หน้าเฉยตาม you, you มาเห็นหงตาว่าตาเราเสียเรายังมองเห็นอยู่เนี่ <c oughs> ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับพญางูตระกูลวิรูปขับทำแปลได้ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับพญางูตระกูลเอราบัตถ์เอราปัตถ์ ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับพญางูตระกูลฉับพยาพุทธะขอไมตรีจิตของเราจงมีกับพญางูตระกูลกันหาโคตมกะขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์ที่ไม่มีเท้าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์สองเท้าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์สี่เท้า ขอไมตรีจ kind of ิตของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามากพวกตะขังแมลงขอสัตว์ที่ไม่มีเ <esch> ท้าขอสัตว์ที่ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราเลยขอสัตว์ที่มีสองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราเลยขอสัตว์ที่มีสีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราเลยขอสัตว์ที่มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเราเลยขอสัตวรสัตผว้มีชีวิต ทั้งหลายสัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นจงพระสพพบแต่ความเจริญทั่วกันความทุกข์ชั่วช้าอย่าได้มีมาถึงสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งเลยพระเจ้าทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์ทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้ บรรดาสัตว์เลื้ยคลานคืองูแมงป่องตับขาบแมง ม, งมุมตุ๊กแกและหนูล้วนเป็นสัตว์ประมาณได้เราได้ทำการรักษาตัวแล้วป้องกันตัวแล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงพากันลีไปพระพเจ้าขอหนอกน้องแด่พระผู้มีพระภาคและพระรหัสตัตสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ หมหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ณวิหารเฉตวันมีพิสุรูปหนึ่งมรณภาพเพราะถูกงูกัดขณะกำลังพาฟืนอยู่ในที่ประตูรเรือนไฝพระบรมศาสดาจึงทรงแสดงปริต์นี้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายหากพิสุรูปนั้น ได้เจริญเมตตาแผ่ถึงตระกูลพยายงูทั้งสี่แล้วมูก็จะไม่กัดแม้นาบททั้งหลายแต่ฟางก่อนก็ปลอดภัยเพราะได้เจริญเมตตาพยายงูทั้งสี่ตระกูลคือตระกูลวิรูปะเอรปะปทะชับพยาปุตตะและกันหาคอตมกะวงเล็บ พญางูสีตระกูล น, นี้เป็นตระกูลงูลใหญ่คือพญางูคือพญานาคชั้นสูงที่มีกำเนิดแบบโอปาปปาทิกะตระกูลวิรูปะค่มีกายสีเขียวตระกูลเอราวัฒถะมีกายสีทองตระกูลฉับ ป, ปยาปุตตะมีกายสีเทาและตระกูลกันหาโคตามากะมีกายสีดำนี่คืพยายาอพญางูทั้งสี่นะ พญางูทั้งสในที่นี้หมายความว่าพญานาคในทีเนี่ยเ น, นท่านหมายถึงไม้บุเร็ดพญางูตระกูพลพญางูทั้งสีคือตระกูลงูใหญ่คือพญานาคชั้นสูงที่กําเนิดแบบโอปปาติกะตระกูลวิรูประขะมีกายสีเขียวตระกูลในราบัตมีกายสีอทอตระกูลชปพยาพุ ต, ตะมีกายสีเทาสีเขียวสีทองสีเทา แล้วทักูนกันหาโคตรตมกะมีกายสีดำถ้าใครดูคำแปลออกมันก็บอกอยู่ในตัวสีอะไรสีเขียวสีทองสีเทาสีดำนี่วิญญาท่านทรงตรัสว่าถ้าได้แผยเมตตาให้กับพรรยา ง, งูงสั้งศีภยา ง, งูงสังศีท่านก็จะบอกลูกน้องท่าน <laughs> ไม่เบียนเบียนเราเพราะฉะนั้นวิรู ป, ปรขานี้ เราอยู่ป่าเนีเราทิ้งเมื่อได้นะฮะนะใครกลัวใครกลัวตะขาบกลัวแมงป่องเนี่ยใครกลัวตะขาบใครกลัวแมงป่องเนใครกลัวตะขาบใครกลัวแมงมุมเปลืกใครกลัวตุ๊กแกใครกลัวหนูใครกลัวงูใครกลัวแมงป่องหรือสับเลื้อยคลาน ต้องหลายเนี่ยต้องสวดอันนี้สวดแล้สเหลานี้จะไม่เบียดเบียนเนี่ยไม่รู้ประเคเนิเราไม่รู้คาแปลเราไม่เห็นความสามคาัญสวดแผ่เมตตาให้กับเขาเราแผ่เมตตาอย่างอื่นเมตตาพรหมวิหารเมตตาอะไรอะไรแต่เราลืมแผ่เมตตานี้นะแผ่เมตตานี้จะช่วยเราได้ เราเราเราได้ยินว่าไอ้สิงมันถุกงูจงอางกัดนี่แล้วก็เลยมันนึกถึงอะไรเฮ้ยมหาที่มันไม่ได้สวด้วยอะใครเลี้ยงมันน่ยขยันสวดซะหน่อยนะชื่อยคุ้มครองมันนะได้ยิว่าถุกจงอางกัดทั้งสองสองทีสองแห่งอ่ะมันรู้จงอางเรื่องอะไรมันรู้แล้ะถ้าจงอางมันไม่เหลือดอกถ้าจงอางมันไม่ถึงเครื่องคืนอะมันไปแล้ว อันนี้มันอยู่มาจนเป็นวันข้ามวันเลยเนะี่ยไปดูนะเอ้ยหนึ่งหลวงพ่อทูน่ะรู้จักหมาเจ็บหมาป่วยไปดูเลยเอาไปให้หมอเลี้ยงสัตว์ยังไงไม่ดูเลยไม่รักษามันปล่อยมันอยู่มาเป็นวันวัน่ยไม่ดูมันเพิ่งเห็นตอนข้ามเเห็นแล้วไม่เอาไปให้หมอเมื่อวานจับได้แล้วยังปล่อยต่อไปให้หมอให้หมอมัดูหมอก็จะได้ดูจะรู้ว่ามันเป็นอะไร เลยรักษามันตัวมันเจ็บมันป่วยมันก็พึ่งเราด้วยมันหากินเป็นที่ไหนดูสิเราต้องให้มันกินไม่ใช่เหรอเราเลี้ยงมันมันก็สมบัติมันก็เป็นสมบัติของเราสัตว์เหล่านี้ทั้งโลกเขาก็ให้ความสำคัญด้วยพวกสุนัขเอ้ยพวกแมวเอ้ยเนี่ย เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์น่ารักเป็นสัตว์เลี้ยงคนหมายคุ้มครองนะเดี๋ยวนี้นะนะคนหมายคุ้มครองเขาไปจับหมาของคนอื่นใครไปจับหมาคนคนอื่นมาทําทารุณหนึ่งเขาจัไปรับรองขึ้นรงขึ้นศาลนะนะไปเจตนาะแกล้งขับให้เหยียบตายกลางถนนไอนเจ้าขอก็ เ, เอาเรื่องได้นะปรับตัวเราเป็นมือเป็นทนายเขาแล้วแต่เขาจะเรียกเรา เนี่ยกหมายุ้มพรองเลนะสัตว์เลยยี้ยงเนี่ยสองพวกเนี่ยไม่รู้อะไรอีกเราก็ไม่รู้เลยแต่ได้ยินว่าพวกแมวพวกสุนัขนี่ใครไปทำทารุณมา่มีคนเอาเรื่องเอาโทษเนี่ยได้เรื่องเลยกฎหมายได้งานได้ <c oughs> เนี่ยหนังสือเนี่ยมันน่าศึกษาวันนี้ทำอะไรศึกษาเต็มเลยหมดเลยเตไมไสนใจ เราวอาตะกี้เกียกี้ท่านอยู่แบบไม่ศึกษาไม่ศึกษาข้างนอกกัศึกษาข้างในที่ศึกษาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธศึกษาสังเกตสังการดูสิท่านพูดเดีอย่ารอขนาไหนเราศึกษาสังเกตสังการอยู่แต่กับอันนี้แหละ นี่แหละคือช่องทางคือวิถีทางคือวิธีการที่เราจะพยายามปรับจิตปรับใจเร่ละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าอยู่เพลินๆไปวันๆอยู่กับโลกหมกหมกอยู่กับโลกเหมือนก็เหมือนเขียนนั่นแหละทอดทิ้งทอดทิ้งการศึกษาศึกษาข้างนอกศึกษาข้างในมันจะอดอะไรเรื่องศึกษา ศึกษาอารมณ์ตัวเองนะนะดูเข้าไปสิดูใหมัละเอียดเขไปละเอียดเข้าไปละเอียด็ข้าไปละเอียดเข้าไปมันปรุงมาเองมันแก้มันเองตัวปรุงมาเอแก้มันเอง่ะแต่ถทำไมรู้ตัวมันเรียบร้อะไรไปแก้มันปรุงขึ้นมาอนะหาเรื่องขึ้นมาแล้วมันปรุงขึ้นมาแล้วแก้มันเองมันปรุงขึ้นมาแล้วมันแก้มันเองตั้งใจแก้นะมันไม่ใช่หรอกมันปรุงแล้วมันจะแก้เข้ามันเองไม่ใช่นะ ปรุงมาแล้วมันลุกลามใหญ่โตนะถ้าเราปล่อยมันพรุงเนะี่ยเรามาดูภาระของผู้รู้ภาระของใจภาระของใจก็คืออะไ ร, ส ร, รสร้างทุกเองแล้วพเราก็แก้ทุกเองสร้างทุกเองล้วกแก้ทุกเองสร้างทุกเองล้วแก้ทุกเองดูแล้วหรือเรางงกับเราฉลาดกันไหมวนะฮะ <laughs> เรามาพิจารณาดู <laughs> เรามาปรุงแล้วเรามาแก้กันเองเราปรุงแกแก้กันเองอเรานั่งทํางานเราไม่เผลอมันไม่ปรุงมาเราไม่จะเป็นจะต้องไปแก้นั่งกำห น, นดจดจ่อลองดูต้องมาแก้กันอย่างนี้เลยนั่งปรุงขึ้นมาแล้วก็นั่งต้องแก้นั่งปรุงขึ้นมาแล้วก็ต้องมาแก่อีสร้างทุกข์ขึ้นเองแล้วก็แก่อีสร้างทุกข์ขึ้นเองแล้วกแก่ถ้าไม่แก้มันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่หลวงอ่า หนักหนาสาหัสุันเลยอตอนบางเวลามันงอหรือมันตรงขึ้นมาเลยโดยเหตุที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาอยู่บ้างมันพอจะมีเรื่องสกิดจิตสกิดจิตสกิดใจถ้าไม่เรารู้จักหันหน้าต่อสู้กับมันหันหน้าต่อสู้กับมันก็หาช่องหาทางหาวิธีการที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี่แหละอาศัยความเพียรของตัวเองหมุนเข้าไปในใจของตัวเอง มุนก็ไปจ่อไปดูก็ไปเรียกก็ไปรู้ก็ไปเรียกก็ไปรู้ก็ไปรู้ก็ไปจิ้ม้าไปที่ใหญ่ตัวเองน่ะอยู่กับการศึกษาเราไม่ใช่อยู่แบบงูกวปลาอยู่แบบหมกอยู่กับโลกหมกอยู่กับโลกเป้าหมายของเราคืออะไรเป็นอะไรเน่าเฟะอยู่บนโลกน่ะเราหมกอยู่กับโลกอยู่แบบศึกษา อยู่เบอือยู่แบบเพื่อหาช่องทางมันหมกเพราะมันมีสิ่งโผล่ขึ้นมาให้มันหมกที่โผลมาให้หมกก็คืออะไรอพกตัวเจ้าตัวจอรที่มันดึงเราอยู่ในโลกเลยมันพาเราอยู่ในโลกทำให้เราหมกอยู่ในโลกมันเกิดขึ้นทุกขณะของจิตถ้าเราไม่ัระแวงระวัง ม, มันเกิดขึ้นทุกขณะจิตความเร็วซามของจิตของเราเองเนี่ยมันไม่ใช่ของใครอ่ะ ไม่มีใครสร้างให้ไ ม, ม่มีใครทำเอาไม่มีใครทำให้ทํเอาเองสร้างล้าเองสังสมมาเองอบรมมาเองมีมาเองเป็นสมบัติเป็นเป็นคุณสมบัติเป็นสมบัติที่เป็นฝ่ายโทษติดตามมากับจิตของเราสมบัติที่เป็นฝ่ายทุนฝ่ายคุณมีมากมายมหาศาลแต่เราลืมแล้วลืมตัวเราก็ลืมมามาใช้ เรื่อมาสร้างมาสร้าให้เกิดประโยชน์เ ล, เ, ลนเลยแบบนั่งแบบตะกองทุกอย่นั่นแหละปรุงทุกข์ขึ้นมาก็ต้องไปแก้เปรุงทุกข์ขึ้นมาก็ต้องไปแก้องไม่อยากแก้อยากปรุงไม่อยากแก้ก็ต้องไม่ปรุงเราพยายามทํางานเพื่อจะไม่ปรุงแต่เราจะปรุงเพื่อที่จะปรับเพื่อที่สงบเพื่อที่จะระงับนี่เราอยูางานนี้งานนี้คือสมถะและปีปัสนารมีแค่นี้เอ ไม่มีออง่นงานอะไรที่มันจะมาเจาะลึกถึงมันมีไม่มีงานเหล่านี้เป็นงานาตะ ล, ล่อมมันเป็นงานเรียนมันเป็นการขัดเกลวฝึ ก, กจิตฝึ ก, กจิตฝึกนิสัยเหตุปัจจัยภายนอกแต่เวลามาทำงานจริงๆมันธรมานานในภายในภายในใจของเราเราไม่ทอดทิ้งตรงนี้วันคืนโล่งไปทาไมเราต้องหมกอยู่ในโลกทำไมเราต้องหมกอยู่ในโลก อะไรมันโผล่มาเพื่อที่จะดึงเราอยู่ในโลกดูอันนั้นอ่ะอะไรที่มันโผล่มาเพื่อที่จะดึงเราอยู่ในโลกความอยากไม่มีข้อเพีไม่มีประมาณว่าแต่มันเป่ากระซิบกระซาบวัตยากอะไรก็ไปปรุงตามมันยาอะไรมาก็ไปปรุงตามมันไม่ได้รู้เพื่อที่จะตัดเพื่อที่ที่จะลดเพื่อที่จะละเคลื่อไปกับมันเนี่ยกระยิมยิ้มย่องเลยนะเนี่ย ยิ่งยิ้ย่องอีกทหารเนี่ยนะดูให้ดีเถอะนะเวลาเวลามันมันปลอมแปลงมันปนเปื้อนเข้ามามันปลอมแปลงเข้ามามันสวมรอยเข้ามาอนะืมไม่ทันมันถ้าทิ้งคํว่าศึกษาข้อเดียวคําเดียวเยนะี่ยมันปรุงมันปรุงแต่งหน้าต่าตามความต้องการของเรา ตัญหาเกมีตัญหาในหัวใจมันโผล่ให้ให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเลยแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นอะไรปล่อยให้มันปรุงจนชินปรุงรักปรุงชังปรุงโกรธปรุงเกลียดปรุงพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจปรุงงดงดงิดๆปรุงกันเป็นจะเป็นประสาทจะเป็นบ้าปรุงนึกปรุงคิดปรุงวุ่นวายอยู่นั่นอ่ะอืมเจาะเข้าไปสิ จิ้มให้มันดิ้นเหมือนจิ้มเหมือนกเก็กิ้มหัวปลานี่มันดิ้นอยู่นั่นแหละลองจิ้มลองดูจิ้มให้มันดิ้นอยู่นั่นแหละตัวดื้อด้านภายในจิตของเราก็ตัวมันเองอะมันดื้อมีอะไรมาทําให้ดื้อไม่มีความเรววร้มของมันที่มันติดมาด้วยขัดเกลาตัวนั้นอะขัดเกล า, นนนกลาจนมันอ่อนแรงแล้ไปมันหากมี ตัวดัดกันอยู่มีอยู่ตัวที่มันเกิดมาเพื่อมันดัดกันเพื่อมันมามาคานอานาจกันมันมีอยู่พุที่มาปราบกันมันมีอยู่ในสูตรมาสู้ธรรมไม่ได้ยูมัดทำหมดถ้าเราสร้างเครื่องมือที่เป็นธรรมขึ้นมาให้มีกำลังมันอยู่หมัดหมดเพราะตัวมันหนึ่งมันชอบพรากตัวมากับความมืด ตัที่เร็วเมันเจะแพรงตัวมากับความมืดแต่เราย้อนความเด่นโรคของพระรู้เข้าไปทําความตื่นรู้เข้าไปเนี่ยมันก็ปั๊บหายไปแล้วมั๊หายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้รู้แค่นี้ขัดเกล้าอยู่แค่นี้ทําความศึกษาอยู่แค่นี้เราจะรู้ที่ไปของมันที่มาเข้ามันจะรู้ว่ามันดันหยากดันละเอียดดันยาวนั้น นึกยาวเฟื่อยปรุงไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเพราะเราปล่อยให้เขาปรุงตามใจชอบตามอำน า, าจรูใจชอบรวมสเปซสปาไปนั้นแหละไม่รู้อะไรเลยศึกษ า, ารู้จักจะเข้าใจจะต้องศึกษาสังเกตสังกาความอยากของตัวเองหากผู้รู้ของเราเนี่ยมันดินรนในตัวของมัน มันเป็นตัวสังขารมันปรุงคือเรียกสังขารจิตสังขารจิตมันกปรุงอยู่ภายในจิตนั่นแหละมันอยู่เป็นอยูนิ่งเป็นที่ไหนมันอยูนิ่งไม่เปลี่นเมือนร่างกายของเรามันอยู่นิ่งเป็นที่ไหนร่างกายของเราเดี๋ยวพองเดี๋ยวแฟกเดี๋ยวพองเดี๋ยวแฟกพองคือหายใจเข้าไปมันก็โป่งอท้องมันใหญ่หน่อยปองหน่อยก็เพราะเราใส่ข้าวปลาอาหารเข้าไปมันก็ป่องพอเวลามันขับมันย่อยมันถ่ายออกไปมันก็แฟก เน่ยมกขยับเค ย, ยื่อนกันอย่างนี้แหละและข้างในเนี่ยไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีน้ํำอะไรเราใส่ปากเข้าไปเส้นอะไรมันกย่อยไปย่อยไ ป, ยยไปซึมไปซึมไปซึมไปซึมไปซึมไปไปอยู่ก็เพาะเต็มกระเพาะดันออกมาแน่ถ่ายหนักถ่ายเบาก็าไปก็มีแค่นั้นเองมันมีอยู่คงเดิมเท่าเดิมอลู่งกายทุกสัดทุกส่วนที่ดูดซึมเข้าไปเอาไปทำเป็นเนื้อเป็นน้ำ ไปปรับเปปรุงสิ่งที่สึกถึงที่หรอสิ่งที่เสียไปปรับเปปรุงส่วนหนึ่งก็ะสมมาให้เป็นพลังงานมีเรี่ยวมีแรงจืนได้เดินได้ทํางานได้แบกหามได้มีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีคณะเดียวก็มีร่างกายจิตใจก็เหมือนกั น, นก็ปรุงต้นหามสวมรอยมันปรุงทุกยักทุกเวลามันสงบมันนิ่งที่ไหน หากจะสงบจะนิ่งได้ด้วยเหตุที่เราจํากัดให้มันอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวจนอิ่มมันพอมันอยู่ได้มันสงบได้มันระงับได้ระงับได้ตามภูมิตามชั้นไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นแนวไม่แต่ความวางเฉยกับผู้รู้ถือว่ละเอียดสูงสุดเราต้องเจาะไปถึงผู้รู้เราดู้เจาะไปให้มันถึงคนผู้รู้เรารู้ จับไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเะลียดเข้าไ ป, ไ ป, ไปจาะอันถึงผู้รูเนา้องหัดจ่ออันถึงผูรู้ลเนามันละเอียดนะทีนึมันก็อยู่ขี้นึงอยูอ่เนาะจ่อไปอันถึงอยู่ขี้นึงมันจะเป็นต้นทุนได้เป็ย่งดีปัจจุบันม้เครื่องมือ้งเราเขารู้ทั้เราเข้าใจความเป็นไปของของมัน มันดูเหมือนถังให้เราเนี่ยรู้เท่ารู้ทันรู้อะไรของมันอยู่ข้างในมันทํางานอยู่ข้งในเหมือนกัเราอยู่ในเหตุการณ์อยู่ท้างในยิ่งเราไม่เคยย้อนไปดูไม่รู้ว่ามันทําอะไรกันบ้างข้างในมันปรุงอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ย่อนเราไม่เคยย้อนไปดูคืออะไรเป็นอะไรคําว่าเราเราในเช่นนี้หมายความ่าความเพียรเออส ต, ติเอยสัมมิชนญะเอยปัญญาวิทยาความอดความทนหมุนเข้ามาอยู่นี่ พุทโธพุทโธพุทโธตั้งสตินี่แหละภูริเจ้าท่าแสดงมาสติอย่างเดียวครอบไปหมดมาสติเนี่ยครอบไปหมดอพราะสติตัวเดียวมันปลุกจิต ด, ดวงนี้ตื่นเราเป็คนคุณสมบัติชั้นเยี่ยมสังเกตดูก็แล้วกันมันคืออะไรกันแน่สังเกตดูเราสังเกตดูเราย้อนเราปลุกย้อนเข้าไดูราย้อนเข้ไปดูพิจารณเข้าไป ด, าาไปดูมันสงบ เพราะเรากระดกห ล, ลิก ik, แผลงระแวกแผลงระแวกระวังด้วยสติด้วยปัญญามันก็จะสงบมันจะสงบด้วยมันอยู่นิ่งแนวไม่แสดงกิริยาจิตออกมาเลยก็ใหมันสงบความหีกเลีงของมันมันจะสงบได้ถึงกฎกฎเป็นเกณฑ์ที่เราสงบได้ที่เราระงับได้หรือว so yes. ่าเราบังคับได้ว่างัันเถอะ ต้องบังคับนะอย่าคิดว่าไม่บังคับนะมัด ท, ท่านต้องให้บังคับเถอะทำไมเอามัดมาบังคับมันจะเอาผลมาจางไงมัด ก, ก็คือทางคือเหตุสร้างเหตุถ้าไ ม, ไม่พยายามบังคับเลยบังคับก็คือสังวรก็คือสํารวมคือระวังบังคับเหตุแต่ไปพยายามบังคับให้ผลมันเกิดเลยพยายามบังคับให้ผลเกิดนั้ผิด การตั้งใจบังคับให้ผลเกิดผิดผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผลมันจะเกิดขึ้นมาเป็นยังไงกันช่างมันบังคับให้มันเดินตามเหตุน้ำรงสติน้ำรองสัมผัสยะอยู่นเอาอยู่นั่นแหะบังคับเจาอยู่นั่นแหล ะ, บ, บ, ออหละบังคับให้มันอยู่กับมัดบังคับให้มันเดินตามมาัดถ้าเราไม่บังคับให้เดินตามมาัดเนี่ยเราจะเอาอะไรมาชนะกิเลสกิเลสมันบังคับเราทุกริ่วทุกเวลา ถ้าเราไม่ตั้งใจจดจ่อกำหนดจดจ่อบังคับจริงๆจะเอาอะไรมาจูบมัดกี่เลไม่อยู่มัดมันดอกหาสมองรอยแป๊บเดียวสมองรอยเข้ามาแล้วแป๊บเดียวสมองรอยเข้ามาแล้วความรู้จักตัวเองความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวหายไปไหนก็ไมารู้เคลื่อนไปกับมันนันทิราคสาตุามันไปด้วยกันเลยดูไม่ออกดูไม่ทันแป๊บเดียวศึกษาอยู่ตรงนี้ดูให้มันทันฉันเก็ีสังกาให้มันออก มันจะกระจายความรู้ความเข้าใจอยู่ในหัวใจเราแต่กระจายเต็มไปหมดจอมาตรงนี้เน่เดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันระเบิดแตกไปหมดเลยความรู้ความเข้าใจแขนาสาขาอะไรสรุปก็ได้ขยายกว้างเท่าไรก็ได้สรุปให้เหลือหนึ่งเดียวก็ได้มันไปจากกิริยาจิตลราที้จิตนี้จริงอัศจริษฐ์ศึกษาได้จริงอัศจยิษฐ์ กิเล็อาเยนเขามาันทำให้สนฉันมั น, มนอาเซย์เขามาันเราดูที่มันอิสระขนานไหนกิเลสนะว่าที่มันเป็นตัวคําตัวมันอิสระขนาดไหนเราดู่เวลาเราปล่อยเน้ปล่อยตัวอยางอิสระเสรีนะโอ้โหมันปรุงแต่เยอะไปหมดโลกนี้นะทระพัพย์เยอะไอสิ่งที่มันปรุงพร ง, พรางจา ง, จางแผลงแผงแฝงแฟงไอส่วนนั้นเยอะที่สุด เอาผู้รู้จ้าลงไปปั๊บหายไปไหนหมดมกัรไกอูกถ้ามันลักษณะแบบนั้นนะ่ะแสดงว่ามันเคลิ้มเคลิ้มันแผลงแผล ง, ลงมันแฟงแฝงทั้งนั้นเนะี่ยมันเงาเง า, เงาแต่ถา้าผู้รู้แจ้งจ้าเข้าไปนะั้นสะีมันหายไปหมดเหมือนไฟที่มันสว่างๆเนะี่ยจ้าหายไปหมดอแต่ว่ามืดๆสโลว์สโลวเนะี่ยโอ้ งูสับงูเห่างูสาจุ่าหามันชอบเละตะขาบแมงป่องมันชอบขโมยด้อมด้อมมันก็ชอบอืมมันชอบมืดมันชอบที่มืดความชั่วร้ายที่มีอยู่ในใจของเรามันจะแทรกเข้ามาตอนที่จิตของเรามันมืดมืดโมหะมันครอบมืดอะไรเพราสติมันจางปัญญามันอ่อนวิริยะความอดความทนจดจ่อมันน้อย ขาดความสนใจความอดความทนก็ไม่มีขยับทีกระดูกจะร่วงขยับทีกระดูกจะร่วงนั่นแล้วจะเอาอะไรไปสู้มันไม่มีอะไรสู้มันเลยอ่าขอต้องควรกับเวลากรดูมัมยหมอหมอหมา มามันไม่สบายม ห, หามาไกิออนเล้ฮะเวานอะไรว่านอะไรวนมูจงางว่านมูจงางอะไรวันนานมูจงา ง, ง, งหายเหรอ ห, หายหายเหรแล้วเมื่อวานทำไมไม่คิดออกออเอามะนาวก็ได้อะไรก็ได้ไเสยฟงพน ม, มีไหมตรงไหนอะเวลามีนั่นมากัคิดอะไรก็ไม่ออก นี่เนี่ยชอบหมาเต็มวั น, นแต่เวลาหมาป่วยไม่มีให้รู้เร<ป>ื่องไกฮะมนนไม่ใช่ดอกแล้วว่าไม่ใช่ดอกงูก็ะปายงูก็ไ ป, ไปา ย, ยังคือกัดรุนแรงก่านั้นฮะนั่นคนว่า ก, กัดจนเขียวปุ๊บหน่งฮะจงอางเราว่าไม่เหลือดอก ง, ง, ดงูตัวใหญ่ฮะงงองจูตัวใหญ่อจะเป็นงูใหญ่แหละ หัวอะไรูเห่าูสามันบอกเด้ขึ้นอะมูสาเนี่ยมันบอกเด้ขึ้นงูเหลือมหรมันจะสู้กับันเหลือมเหองูเหลือตาย้วยกันฮะูให่ใ่ะรับูเหลือมนี่เสร็จแล้วงูเหลือมถ้าใหญ่มามันจะสู้ไม่ได้ แต่ถ้ามันไม่ใหญ่สิอ่าอย่าลืมนะมิรูประเขนะใครไม่ได้ไปเท่านะอ๋อสีีน่ายังไม่กลับปะยังค่ับเราเที่ยวกลับไปพร้อมพวกนั้นน่ะเที่ยวกลับไปแล้วไปพวกนี้เหร อ, อนที่ห นะเราขีก่กลับไปแล้วแล้วพ่อนักขับไปเช็คสุขภาพป่ายค่ะทำไมทำไมบอกบอกแล้วไม่ไปทําหากินจนลืมสุขภาพของตัวเองสุขภาพย่าแย่ไปไเกี่ยยอะไรสมบัติอะไ ร, าะไรวาหาไรมากมาจะมี ความหมายอะไรดูแต่เศรษฐีมหาเศรษฐีนะเป็นโรคเป็นโรคที่กินไม่ได้มดท่านนั่นแหละสมบัติผ้าไหมมหาศาลจเจ้าเลยข อ, ข, อของกูของกูของกูของกูกินก็ไม่ได้พอเลยนะให้รักษาสุขภาเอ้าเราคิดว่าไปเลยได้ไหมไม่คิดว่าอยู่นี่ย ที่สี่เราไปแล้ ว, ลวเพราช้าห้าวันที่ห้าที่แบงชาติวันที่หกก็วันที่หกก็ว่างเราเห็นว่าว่างเพราะว่าวันที่เจ็ดที่วัชรธรรมด้วยเราก็เลยรับวัดธรรมมงคลตอนเย็นวันที่หกเน่ยวัดธรมมงคลเขาเนี่ยมรดุทุกปีแต่เราไม่เคยไปเพิ่งไปปีที่แล้ววัดธรมมงคลคนไปบวชเป็นหมื่นตามศอกตามแท่งเต็มไปหมดมีแต่คน ไอ้ซอกซอกเซตซตที่ที่ทึบทึที่อัท YY, ทแบอบับข้างห้องน้ำห้องอะไรนี่กลินก็กลิ่นไปคนเต็มใครไม่เคยไปเห็นไปดูเถอะโอ้ยคนจะเหยียบคอกันตายที่มันแคบก็ไอ้พลังกิตานุภาพไม่รู้กี่สาขาต่อกี่สาขาเวลามีงานก็ไปรวมกันนะ หลวงพ่อก็ออกมาออกมาพูดจะเพื่นพูดเพื่นพูดสำนวนวหารเพื่อนยังนมอยู่นะไม่ไม่ไม่ได้พูดเหมือนคนแก่น ะ, <c oughs> ะนะแนวการวิธีการสำนวนวหารอะไรพวกเพื่อนยังอยากฟังได้ดีเราฟัางดูอ้าโอ้สำนวนเพื่อนคุณมไม่สำนวนคนแก่เท่านีสำนวนหัวคิดหัวอ่านเพื่อน แล้วก็ไปนอนที่วัชรธรรมวันรุ่งขึ้นของวัชรธรรมงานบูชาคุณแผ่นดินมานบูชาคุณแผ่นดินนี้เพิ่นจักมาตั้งแต่นหนูเพิ่นยังรับราชการอยู่กรมแพทย์ทหารเถือนจักเมื่อก่อนไปหลายครั้งอินทบาทคนไปร่วมอินทวานม้อนแหละเขาจับเพราะหลวงตาเคยไปเปิปดเป็นประทุนเลยเขาก็เลยจักมาตลอด แล้วก็เรียกเรียกวันนั้นแหละ ว, วันบูชาคุณแผ่นดินวันบูชาคุณแผ่นดินมาวระราชธรรมเพิ่งมาทำเป็นปีที่สามที่วระเาชธรรมปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามแล้วก็มีการจับสลากด้วยถวายไม่ได้ถวายนั้นเลยเดย้มีการจับสลากมีการจับสลากแล้วของที่ถวายก็ของหนึ่งก็จะภาพหนึ่ง อีกของหนึ่งก็เฉพาะหนึ่งอีกของหนึ่งก็เฉพาะหนึ่งใครหาได้รัก็แล้วแต่ไม่จากัดของมันจริงไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนเขามีอะไรดีๆบางคนก็ใหญ่มีอะไรไม่รู้สมัยอาจารย์มณนะท่านอยู่ท่านเคยจับได้อะไรขหนับใหญ่ขนาด น, นี้เอาไปนุ่นเอาไปที่ไปอยู่ที่ถ้ำวิมันเชีย์จนเหลือเนี่ยไอ้ทังสังกสใส่ของเนี่ย ดีได้มันไม่ชื้นกาลังสังกษีปีปีหลังๆนี่ก็มีมีอยู่กำลังสังกษีสรับเก็บของหนูจอบไม่ได้หนูกัดไม่ได้ทนกัทุงพระสติทนก่าทางพระสติทางพุสติลาไปลักมาดึงไปดึงมาเปิดปิดไปเปิดปิดมาหัก ทุ่มครึ่งน่ะไป <c oughs> ไปดูเนะไปดูหมานข้าวมันกินไหมฮะข้าวมันกินไห ม, ไ ม, มเพรามไม่ให้มันมันไม่มาไม่มาตอนมากาหามันกินทตตอนมามันวิ่งหนีครับผมฮะมันวิ่งหนีไม่หนี จับมันขังไว้ไม่ใช่เด้อมันไม่ใช่กลัวให้ยาับไม่ท ใ, ให้เป่ายาเลนะเป่ายาเป่ายาเสร็จแล้วก็ปล่อยมันก็ไม่มีเป่าเป่าอะไรมัน <c oughs> เขี้ยวขาแล้วก็เป่าเลยยาหลวงพระทุนบอกยาเป่าขาเ น, น, นี่ย และไอ้านานอะไรบ้านอะไรที <laughs> <wh année> ่ไอใครเอามาให้นะบ้านงูอะอะไรนะอันนี้กินนเราฮะกินันกินังหแล้วม่แอทุนก็รู้จักดทุนหมาทุกงูเห่างูสาถ้าเป็นถ้าเป็นงูเห่าด้วยตานี่ดูดูน่หมาเาพิ่นนี่ เผาเผาแล้วเผาอีกเ่าแล้วเผาอีกอยู่นั่นแหะจนจะบ่อหน้าตาน่ะอ้ยอ้บ๊กไอ้แบ๊กตัวดำน่ะเตะขาให้ได้ขาถ้าใหม่ใหม่มันไล่่แหละขามันร้อนอ่ะาบิงเมียงยื่นฮะิมมี่เข้ามี่